เมื่อไหร่ฉันนี่ห้องฝนหยุดตกทั้มันสะแดดปะพ่อพ่อจะนี่ห้อง่ะก็เดาเลยปะเนี่เอ๊ะมันจะหอนบ่มันสิฝนตกบ่คือมันก็มันสิหนาวอีกปวดเลยฉันนี่หลวงพ่อเนี่ยเป็นเป็นกรมอุตุประจวับนะการณว่าฝนหยุดตกแหงนะมันห้องเอยเนี่ย้อง ย้ำเว้นก็ห้องเด็ดเละอันห้องให้เหรอโอ้ตอนแรงแดงมาฝนมันจะโอ้ทั้งร่มทงางงยังเอมันเตือนมันหอเปล่าสงสัยมันก็ะจิบคือกันเขาค้นเป็นขีกากระนี้บอโบล้านค้นเป็นขีกากพ่อฝนจิตกนะขั้นหนาขั้นหลังเกาหนาเกาหลังอะไรก็ค้นเป็นขีกากอะ น, นี้คือกันเนี่ยท่นที่ของเข้าเนี่ยขพ่อฝนจีตกมันก็ ขั้นเนื้อคั้นตัวนี่ยไหมันขั้นเนื้อขั้นตัวมันก็เลยห้องกาหน่อยก็เกิกันกับคนโบล้านเนี่ผู้เฒ่าก็เกกันกักูมือเนี่เอ๊ะมันจังปวดเซนปวดหลังแท้ฝนสีโต๊ะบ่ปวดหัวเลยอือแล้วพวกขีกาเกิดกันมันจะขีกาขึ้นแล้วมือนมันจะฝนสีโต๊ะบ่คนโบล้านเขาว่า อันนี้ชนเชนี่เกื่อ น, ชนเชนี่มันห้องชนเชนี่มันห้องมัฝนสีตกบ้าเนี่ยแดดสี อ, อ๊อฟนะวันนี้เป็นวันที่สิบมีนาคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยห้าสิบหกวันนี้เป็นวันบวชพระเป็นวันอาทิตย์บวชพระองค์หนึง่งคุณละบตร ผู้ที่จะแสดงมาบวชแต่ต่อไปก็คงจะมีบวชพระนักศึกษานะปีนี้นะนี่นักศึกษาจะมาบวชจะเข้ามาหน้าวันที่16บวชวันที่22นักศึกษาเกคนว่ากพระจากเมื่อนักศึกษากลุ่มนี้ศึกไปแล้วก็จะมีนักศึกษากลกุ่มหนึ่งเข้ามาบวชอีกหลวงพ่อหนักไหมหลวงพ่อว่านักเนะ่ยเพราะว่าคนเข้ามาสู่วัด เป็นจํานวนมากมัต้องหนักแต่ถ้าว่าเราไม่วางทายาธไว้พระพุทธศาสนาจะยืดยาวได้อย่างไรนี่แหละอันนี้ก็คือแนวความคิดของหลวงพ่อหลวงพ่อว่านเด็กสถาบันศึกษาเนี่ยก่อนที่เขาจะบวชก็ต้องคิดมากพอสมควรเด็กหนุ่มเนี่ยเนเมื่อเขาอยากจะบวชหลวงพ่อที่อยู่ข้างในก็ต้องรับบวชแล้วก็อบรม ศีลธรรมจริยธรรมให้ลูกหลานเข้าใจเรื่องคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมความประพฤติถ้าคนเรามีศีลธรรมอยู่ในจิตใจแล้วไปเป็นคารวะประเทศชาติบ้านเมืองก็ร่มเย็นเป็นสุขถ้าว่าคนขาดศีลธรรมมากๆประเทศชาติยุกนั้นสมัยนั้นก็จะยุ่งเหยิงวุ่นวายไปหมดเพราะนั้นเรื่องศีลธรรม นำเข้าสู่จิตใจเป็นสิ่งที่จําเป็นสําคัญเพราะนั้นหลวงพ่อถึงจะลําบากก็ต้องรับอย่างนักศึกษาแพทย์ที่รับมันเป็นปีที่แปดนะลูกหลานกัะศรัทธาญาติโยมปีนี้จะมีแถมอีกเจ็ดสถาบันที่จะเข้ามาบวชประมาณสามสิบคนเมื่อพวกนักศึกษาแพทย์ลาสิกขาไปแล้วยังไปเจ็ดสถาบันจะเข้ามาบวชอีกสามสิบคน แสดงความจำนงคือตุลาธรรมศาสตร์ลามคาแหงสุขโขทยัยมหาสา ร, รคามอะไรนี่แหละหลวงพ่อก็จำไม่ได้อยู่ในกระดาษนะเขาเขียนไว้แค่ๆว่าจะคัดเลือกนักศึกษาผู้ที่มีจิตศรัทธาเข้ามาบวชหลวงพ่อก็เห็นว่าจะเกิดประโยชน์ต่อลูกต่อหลานต่อประเทศชาติบ้านเมืองต่อสถาบัน กันเด็กเหล่านี้แหละจะเป็นทายาทสืบทอดพระพุทธศาสนาต่อไปภายภาคหน้าแต่ว่าลูกหลานไม่สืบไว้พระพุทธศาสนาจะอยู่ได้อย่างไรก็น้อยนับที่เขาจะไปบวชตามวัดต่างๆและจะได้รับการอบรมแต่หลวงพ่อพอบวชเข้ามาแล้วหลวงพ่อก็อบรมน ะ, เ, ะเทศเช้าเทศเย็นอ่ะอบรมนักศึกษาการบวชในพระพุทธศาสนาเนี่ยเป็นมาแต่ครั้งโบราณ ในครั้งพุทธกาลพระพุทธยาติแสดงทำให้ใครเกิดสิท้าแล้วก็บวชแต่การบวชนั้นอายุเท่าไหร่เป็นกำหนดแต่ในพระไตรปิฎกท่านว่าอายุแปดสิบปีนะถูกหลังคณศสัาย า, า, าติโยมนะอายุแปดสิปีบวชสมัยหนึ่งพระพุทธญาวิเสด็จประทับอยู่ที่กรุงสาวัตถี ราธพามใครๆรู้จักมักคุ้นกับท่านสาริบุตรท่านก็พระสาริบุตรกั อ, อรู้จักใครๆว่าเมตตาจะไปสงเคราะห์ใครๆว่าพระสาริบุตรท่านก็รู้ว่ า, วาท่านมีธรรมคือท่านเป็นพระอรหันต์แล้วท่านจะไปสงเคราะห์ผู้ใดน้อท่านก็พยายามไปหาราธพามเลยนะ รัตพรามณ์เลก็ยากจนแต่ก่อนก็มีอันจะกินพอต่อมาเนี่ยยากจนพอยากจนลงไปเนี่ยภาษาลิบุตรก็เดินไปแต่ราธพรามก็รู้ว่าภาษาลิบุตรจะเดินมาโปรดเพื่อให้ราธพรามได้ทำบุญแต่รธัธพรามณ์ก็คิดในใจโอ้ลูกของเราเนี่ยคงไม่รู้ว่าเราจนแต่อีกสักวันหนึ่งละ ว่าเรามีอันติกินเลือดเราได้ของทตยทานเราจะต้องทำบุญแต่วันนี้เราไม่มีแต่มีตะมองคล้คายๆกับอยู่ในฝาบ้านแล้วก็ยกมือไหว้ประจาริบุลวเดือนผ่านมาลักษณะอย่างนั้นนะแต่ทีนี้ถ้วันหนึ่งพราหมณ์คนนี้ก็เลยไปไปทำคล้คายๆกับไปบายสีสูขวันของคนอื่นเขานะ่ยนะ เขาก็ให้รางวัลมาใช่ไหมล่ะแต่ขาไปบายสีบสีสู่ขวัญเขาเขาก็ให้ข้าวให้ของมาทีนี้ท่านก็พอได้ข้าวของมาแล้วก็ท่านก็คิดแหละโอ้ภาษาเรบุตรเลยไปไหนนาะจิบจะมาให้ได้ทําบุญมานาะวันนี้ไจากนั้นภาษาเรบุตรท่านก็นเดินมาโอ้ใจได้ทําบุญจริงๆไงภาษาเรบุตรก็เดินบินทบาทพนั้นก็ไม่ได้ข้าวในบาทไม่ได้ข้าว พราหมณ์คนนี้ก็เลยตักอาหารใส่บาตรเข้าไปทัพพีใหญ่หนึ่งเลใส่ในบาตรของภาษาลิบุตรพอใส่แล้วภาษาลิบุตรก็เดินกลับวัดเลยก็ไปฉันแต่ข้าวนั่นทีนี้ก็ภาษาลิบุตรก็ฉันยังหันเสร็จแล้วก็แล้วไปลนะส่วนล่ า, าพราหมณ์คนนั้นกออ็ดำลงชีพไปเรื่อยๆออในยินพระส ม, มณโคดรองพรธเจ้า แสดงธรรมโปรดชัทธายาติโยมน่าจะไปฟังธรรมพระพุทธเจ้านะเราทำไมยากจนถึงขนาดนี้เนะี่ยราธพามนะจากนั้นท่านก็เข้าไปสู่วัดป่าเชตตะวันมหาวิหารพอไปฟังธรรมเกิดความเคารพนับถือเลื่อมใสทีน้ง อ, อยู่ในวัดจะดีกว่าทีน เ, เพราะว่าถึงยังไงก็มีอาหารทานก็ไม่เดือดร้อนอะไรรับใช้พระจะดีกว่าจากนั้นราธพามกว่าเป็นผู้รับใช้พระทีน ปาดกวาดทำความสะอาดล้างบาดล้างกระโถนอะไรที่จะเป็นประโยชน์สําหรับคนแก่ทําได้อายุแปดสิบนปะีพอทําไปทําไป เ, อ, อ, เ, อ, อ, เ อ, อ๊อยากจะบวชแล้วทีนี้นะเนเห็นพระท่านปฏิบัติศีลปฏิบัติธรรมยากจะบวชแต่คิดอยากจะบวชเ อ, อเราจะใครจะให้ให้บวชบริขานเราก็ไม่มีเราก็ไม่มีญาติพี่น้องอีกต่างหากใครจะให้การสนับสนุน พอการบวชก็ต้องมีบริขาร8ดบริขาร8ดคือบาดกีวรผ้าสังฆติผ้านุ่งสายประคดเอวกองเข็มมีดโกนเห็นไหมใครจะให้เราตอนนี้พราหมณ์ก็หนักใจแต่ว่านนใจเนี่คิดอยากจะบวชกับปฏิบัติพระสงฆ์กับปฏิบัติไปทําความสะอาดปาดกวาดไม่ได้ขาดตกบกพร่องแต่พรามณ์ตอนนั้นกินไม่ได้นอนไม่หลับคิดอยากจะบวช คนคิดคนแก่คิดจะบวชมันคล้ายๆอุกอังทางเทในจิตในใจว่างั้นเออไม่รู้จะออกทางไหนแต่คิดจ ะ, จะบวชแต่แต่ไม่รู้จะทำยังไงแต่นี้พระเขาก็เลยถามเนี่ยพรามไม่สบายเหรอือผู้เฒ่าพออยู่แปดสิบปีแล้วไม่สบายเหรอสบายดีอยู่ครับต่อมาอีกพราม ทำไมตัวเหลืองไม่สบายเหรอทำไมเป็นยังไงสุขภาพนะทำไมตัวเหลืองตาเหลืองอะไรเออผมสบายดีอยู่ครับแต่ผมไม่สบายใจอ้าวเรื่องอะไรยังไม่สบายใจเพราะผมอยากจะบวชครับแต่ไม่รู้จะให้องค์ไหนจะให้ผมบวชเพราะผมอายุก็มากแล้วญาติพี่น้องบริขานก็ไม่มีแต่ผมอยากจะบวชครับพระสงฆ์ก็เลยได้ยิน พอได้ยินเออายุมากขนาดนี้พระพุทธเจ้าจะรับบวชหรือเปล่านะ้านี่ยพระสงฆ์เหล่านั้นก็เลยนําความไปกราบทูลพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าค่ะลาตะพามที่เป็นคนรับใช้เป็นคนวัดเนี่ยคนรับใช้วัดเนี่ยเขาอยากจะบวชพระพุทธเจ้าค่ะเขาจะบวชได้ไหมพระเจ้าค่ะแต่สติสัมปชัญญะความแข็งแรงเขาก็ช่วยตนเองได้ยุพระธงค์ว่าได้ แต่จะให้ใครบวชล่ะใครจะเป็นผู้จัดบริการพระสมัยเนยหาจัดบริการก็ไม่ใช่ของง่ายๆใช่ไหมเพราะพระเทย่าเรียกประชุมสงฆ์เห็นไหมขนาดเพียงแค่นั้นประชุมสงฆ์เลยนะพอประชุมสงฆ์พร้อมกันพร้อมหน้ากันสงฆ์ก็ดูก่อนสงฆ์ทั้งหลายทราบว่าราธาพามเขาอยากจะบวชเขามาปฏิบัติพระสงฆ์ อยู่นานพอสมควรแล้วแต่เขาอยากจะบวชจนร่างกายสุขผอมแต่ในพระสงฆ์องค์ใดบ้างที่รู้บุญคุณที่พราหมณ์ได้ทําความเกื้อกูลหนุนมาก่อนใครแค่ว่าพราหมณ์ได้ช่วยเหลือมาก่อนใครรู้จักบุญคุณของพราหมณ์บ้างพราหมณ์คนนี้ได้ทําคุณบุญคุณกับตนเองใครบ้างที่ ท, ทีลำเลิกได้ ภาษาลิบุตรนั่งอยู่ข้างๆพระพุทธองค์นั่งคุกเข่าปนมมือขึ้นมาพระพุทธเจ้าขา่ขาข้าพระองค์ล้ำลึกได้ที่ราธพามคนนี้สมัยหนึ่งข้าพระองค์ไปบินธบาตเข้าไปบินธบาตในเมืองไม่มีใครใส่บาทเลยวันนั้นราธพามเขาเลยเขาได้ข้าวมาหมอหนึ่งเขาเขาเลยตักใส่บาทให้ข้าพระองค์ทับพีใหญ่ทับพีหนึ่งข้าพระองค์ก็ได้ฉันข้าวทับพีของเขานัก วันนั้นแหละพระพุทธองค์บอกเออเอาทางงั้นสารีบุตรเป็นภาระให้ได้ไหมบวชพรามลาตะพามเนี่ยได้ไหมได้พระเจ้าข่าเออเอาไปไปบวชนะจัดการหาบริขารให้พระสารีบุตรก็รับเป็นภาระเ อ, อรับเป็นภาระที่จะไปจัดบริขารให้พอจัดบริขารให้เสร็จเรียบร้อยแล้วพระสารีบุตรก็บวชให้ พอบวชแล้วโอ้พระแก่เนี่ยถ้าจะอยู่ในกลุ่มคงจะเกะกะตุ่มตั้มเราควรจะพาไปอยู่ตามลำพังไปอยู่ห่างไกลและเราจะได้ดูแลในการบวชของเขาจากนั้นพระสารีบุตรท่านก็เลยพาไปอยู่ในชนบทไปอยู่ที่บ้านไม่ได้อยู่กับกลุ่มสงฆ์อยู่กลุ่มใหญ่เพราะกลุ่มสงฆ์กลุ่มใหญ่ก็ต้องเข้ามาแล้วก็พระเป็นร้อยเป็นพันใช่ไหม ท่านภาษาริบุตรท่านจะไปดูได้ยังไงฮะเนี่ยเพราะว่าต่างองค์ก็ต่างตรวจเหลีวของใครของของเราเพราะพระหนุ่มทั้งนั้นแต่ในพระราตะพามอายุแปดสิบปีเลยเนี่าาาายตมเตี้ยมภาษาริบุตรก็เลยออกไปพาไปอยู่ตามลําพังภาษาลิบุตรท่านก็สอนสอนราตะพามราตะพามพระเท่าองค์พระเท่ายินดีฟังฮะนั่งฟังภาษาริบุตรสอนอะไรฟัง เอพอต่อมาฟังเทศสารีบุตรพระสารีบุตรอบรมให้ฟังจนได้สําเร็จเป็นพระอระหันต์ในเมื่อเป็นพระอระหันต์เสร็จแล้วพระสารีบุตรอจบภารกิจภารกิจจบแล้วทีได้อบรมพระราธพามก็เลยนำพระราธบพามมากราพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าถามว่าเป็นไงลูกศิษย์แก่ของท่านสารีบุตรอยู่ในโอวาทดีอยู่เหรือพระสารีบุตรบอกว่าพระเจ้าค่ะ ลาถพาล์เป็นผู้ว่าง่ายสอนง่ายเป็นผู้เชื่อฟังเป็นผู้ไม่ดื้อดึงข้าพระองค์แนะนํำยังไงบอกกลา่าวยังไงลาถพาล์ปฏิบัติตามได้เพราะนั้นลาถพาล์เป็นผู้ว่าง่ายสอนง่ายพระเจ้าค่ะถ้าเป็นลาถพาล์อย่างนี้ไม่ว่าแต่องค์เดียวเป็นร้อยเป็นพันองค์ข้าพระองค์ก็รับได้เพราะเป็นผู้ว่าง่ายสอนง่ายพระพุทธเจ้าท่านเออเนี่ยแหละ นี่แหละดูก่อนพิกษุทั้งหลายเฮนราตพามท่านไปนไงที่ท่านเป็นลูกศิษย์ของท่านสาริบุตรราตพามเขาบอกว่าพระเจ้าข้ะเพราะว่าข้าพระองค์เข้ามาศึกษาสิ่งที่ไม่รู้ท่านก็สอนพอสอนแล้วข้าพระองค์จะนําไปประพฤติปฏิบัติข้าพระองค์คิดว่าผู้ที่บอกกล่าวแนะนําสิ่งที่เราไม่รู้ให้เรารู้ ผู้นั้นเหมือนกับชี้ขุมทรัพย์ให้พระเจ้าข่าเลยนี่แหละนี่คำนี้คล้ายๆกับว่าถ้าว่าครูบาอาจารย์บอกกล่าวแนะนําสั่งสอนลูกศิษย์ลูกหาพระเนรถึงคณะศรัทธาญาติโยมตัวเองรู้ก็แนะนําให้ผู้อื่นรู้เอท่านบอกว่าเหมือนกับชี้ขุมทรัพย์ให้ เ, เมื่อเขาท่านชี้ขุมทรัพย์ให้แล้วเราก็ไปขุดอไปขุดขุมทรัพย์ไปขุดทรัพย์เราก็ได้เงินได้ทองมาใช้เอง นี้ก็เหมือนกันสิ่งที่เราไม่รู้ครูบาอาจารย์แนะนําสั่งสอนให้ฟังสินอย่างนี้สมาธิอย่างนี้ปัญญาอย่างนี้นะธรรใจอย่างนี้นะนปฏิบัติอย่างนี้นะปฏิบัติตนอย่างนี้นะ อ, อย่างนี้เป็นต้นนะเมื่อเราปฏิบัติตามทำคําสอนของครูบาอาจารย์แล้วเราก็ได้รับความสุขร่มเย็นเป็นสุขทางด้านจิตใจของพวกเราเนีนะลาถพรามท่านบอกว่าผู้ที่บอกกล่าวแนะนําสั่งสอน เหมือนกับผู้ชี้ขุมทรัพย์ให้พระเจ้าค่ะนี่ยนั่นแหละจากนั้นพระองค์เลยยกย่องว่าราธพามเป็นผู้ว่าง่ายสอนง่ายได้รับเอตตะคะนะแห่งพระที่บวชภายแก่นี่แหละสรุปแล้วก็คือท่านตั้งราธพามก็ดีเป็นผู้หวังดีภาษารีบุตรก็ดีเป็นผู้รู้พระคุณเนี่แหละภาษารีบุตรเนี่ยที่หลวงพ่อได้ยกขึ้นวัดได้ฟังถามพระอจิชีพระอจิชีอยู่ณสถานที่ใด เวลาจะหลับนอนท่านจะหันศีรษะไปทางนั้นกราบกราบพระอาจารยชีช้เก่อนแล้วก็นอนหันศีรษะไปทางนั้นถ้าว่าไปอยู่ในละแวกที่ท่านอาจารยชิอยู่ภาษาลิบุตรท่านจะทําอย่างนั้นเนี่ยภาษาลิบุตรเป็นผู้มีเป็นผู้มีปัญญาเลิศกว่าพิสูจน์ทางลายเนี่ยถ้าว่าผู้ใดก็ตามเป็นผู้มีปัญญาจะต้องรู้จักบุญคุณของผู้มีอุปกรณคุณเป็นผู้มีพระคุณจําหนดตนแม้แต่น้นอยเดียว เนี่ยข้าวเพียงทัพพีเดียวก็ไม่ลืมไม่ลืมบุญคุณเนี่ยคนมีปัญญาต้องรำลึกถึงพระคุณในเมื่อคนนั้นตกทุกข์ได้ยากต้องการความช่วยเหลือเนีผู้มีปัญญาก็จะเข้าไปช่วยเหลือในจุดนั้นแต่ถ้าว่ามไม่มีอะไรผู้มีปัญญาก็ต้องมองก็ไม่มีอะไรก็ไม่จาเป็นจะต้องช่วยเหลืออะไรแต่ถ้าว่ามีอะไรเกิดขึ้นที่จะต้องช่วยเหลือเออผู้มีความ กตัญญูเนี่ยต้องรู้บุญคุณผู้มีปัญญาต้องรู้บุญคุณอย่างพระสารีบุตรรู้บุญคุณของราตพามท่านบริจาคทําบุญตักบาทข้าวเพียงทัพพีเดียวก็ไม่ลืมนี่แหละจากนั้นภาษารีบุตรไม่ใช่จะมีเพียงเท่านั้นเอท่านมานรดาของท่าน่ะเป็นมิจฉาทิฐิพี่ชายน้องชายฮไม่ใช่น้องสาวน้องสาวน้องชายของท่าน ท่านพ่อสารีบุตรเป็นลูกชายคนโตฮะเป็นลูกคนผู้ชายคนหัวปีออกบวชจากนั้นกัน้องชายทั้งเจ็ดคนก็บวชหมดเแม่ก็โอ้โหรู้สึกเสียอกเสียใจกับลูกๆทั้งหลายที่ไม่มีใครรับหมอนระดกเพราะเขาเป็นเศรษฐีแปดสิบโกดฮะแปดสิบโกดโกดหนึ่งก็สิบล้านอย่างที่ลุงพ่อเคยพูดให้ฟังมันเป็นเท่าไหร่เนี่นี่แหะไอ้เขาบอกโกดหนึ่งโกดหนึ่งแปลว่าสิบล้าน อันนี้80โกดแต่เนี่ยพระสารีบุตรพอน้องชายไปเอาอาริยทรัพย์ทั้งหมดเนี่ยไม่เอาโลกียะทรัพย์โลกียะทรัพย์คือทรัพย์ภายนอกมีเงินคำทรัพย์สมบัติเลือกสวนไรนาเนี่ยว่าโลกียทรัพย์แต่พระสารีบุตรแนะนําให้น้องชายทั้งหลายเอ้ยสุชาติออกไปทําไมโลกียะทรัพย์ในมากเท่าไรก็เกิดแก่เจ็บตายนี่ยก็มาเวียนไหวตายเกิด ทั้งที่ได้เกิดมาในภพพุทธศาสนาในภพพุทธเจ้าแล้วน่าจ ะ, สะสแสวงหาโลกุตละทรัพย์อันทรัพย์อันประเสริฐเนี่ยที่ไม่มาเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยมีทูตเจ้าตรงเนี่ยเอาโลกุตละทรัพย์ดีกว่าเนี่ยจากนั้นน้องทางหลายก็บวชหมดเลยทั้งน้องหญิงน้องชายเป็นพระอรหันต์ทั้งหมดได้ยางแต่แม่นีตอนนี้พระสารีบุตรก่อนที่จะปรินิพานก่อนที่จะตาย ภาษาริบุตรท่านรู้นะเพราะท่านเป็นพระหรหัตตามประเพณีภาษาวกทั้งสองโมกคราภาษาลิบุตรต้องปรินิพานก่อนก่อนพระพุทธเจ้าแต่พราสาริบุตรก็รู้แล้วพระพุทธเจ้าจะปรินิพานในเดือนใดปีใดตัวเองก็เลยลาพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าข่าฆ่าพระองค์ขอลาปรินิพานเหมือนกับธรรมดาธรรมดานี่เข้าไปกราบลาพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์บอกว่า ไปตามการอันควรของเธอธ่านะภาษาเบุตรนะต่างคนก็ต่างมาต่างคนก็ต่างไปใช่ไหมท่านมาได้ยากนะท่านไม่ได้กลัวตายนะพระรหารนะจากนั้นท่านก็พอลาเสร็จแล้วท่านก็ไปไปส่งพี่ชายของพวกท่า น, นแต่ว่าก่อนที่จะปรินิพานแสดงบุพกรรมให้เราดูซะก่อนนะภาษาเบุตรให้น้องๆดูซะก่อนภาษาเลบุตรก็นนแสดงอิทธิฤทธ ขึ้นกราบพระพุทธเจ้าก็แสดงขึ้นไปบนอากาศก็บอกประกาศว่าข้าพเจ้าได้ทําบุญอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นมาในอดีตตั้งความปรารนากับพระพุทธเจ้าองค์นั้นบําเพ็ญมาอย่างนั้นอย่างนั้นจนมาถึงชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของข้าพเจ้าได้เป็นอัครสาวกนี่แหละท่านบุตแสดงบุ ป, ปกรรมคืออดีตกรรมให้แก่พุทธบริษัทสีได้ฟังจากนั้นท่านก็เดิน ลาพระพุทธเจ้ก า, ากราบลาพระพุทธเจ้าพระสงฆ์ทั้งหลายก็ตามหลังมาตั้งห้าร้อยรูปเนะี่ยเป็นบริวารเดินมาทักดิ่งไปที่นาลันทาเลยที่บ้านของแม่ของท่านนะ่ะออแม่ของท่านก็นอายุมากแลนะ้วจ้ะเห็นลูกชายท่านะโอ้ลูกเอ้ยจะมาอะไรอีกเนาะสมัยก่อนก็ไม่มาแก่แล้วจะจะมาอยู่บ้านจะมารับวรดก สมัยหนุ่มทำไมแม่มาแม่ก็ยังมีถึงเป็นห่วงเป็นห่วงเรื่องมรดกอย่างเดียวภาษาเลขบุตก็ม่ได้ว่าอะไรจะพักที่ไหนภาษาเลขบวกขอไปพักที่ห้องประสูติห้องเกิดห้องที่แม่คลอดลไปไปจะไป น, นอนที่ห้องที่แม่คลอดนะคำว่าแม่คลอดเขนในช่วงที่แม่คลอดนะทุกขนาดไหน ที่แม่จะคลอดลูกนะทุกขนาดไหนนี่แหละพระสารีบุตรถึงล้ำลึกถึงพระโกนของของมารดาเนี่ยที่พ่อแม่คลอดออกมาทุกขนาดไหนอที่วันคลอดวันนั้นเ่ะ่ยพระจารีบุตรกจะไปพักที่ห้องคลอดของแม่เขาก็จัดห้องให้คงจะเป็นบ้านเศรษฐีคงจะห้องใหญ่เอจากนั้นท่านก็เข้าไปพักนอนพอเข้าไปนอนเท่านั้นแหะโอ้โหเท่นี่ท้องถ่ายระบายออกไปเลย จนถายเป็นเลือดเหมือนกันเถอะเพราะท่านจะปรินิพานเะนี่ยถ้าไม่ป่วยซะก่อนจะไปตายได้ยังไงใช่ไหมเอีท่านก็ถ่ายถอยถอยถอยเอี่ยจนในพรส ต, ตอนหัวค่ําเอี่ยท่านก็นอนพระสงฆ์ก่อเอีนอนนั่งทั้งสองข้างแม่ของท่านก็นั่งอยู่หน้าประตูห่างๆเหมือนกันนะพระสงฆ์เต็มเยอะเหลียวมองแต่ไกลๆ เ, เห็นแต่ไกลๆพระสารีบุตรว่าให้แม่มองเห็นนะให้แม่มองเห็น พระท่านก็นอนให้พระสงฆ์นั่งที่ท่สงสองข้างจากนั้นเท ว, วดาลงมากราบโอ้แสงสว่างเอจากนั้นกับพระอินทร์ลงมากราบพอดึกๆ ก, ก็มาพรมลงมากราบแม่ก็ถามเป็นระยะเลยว่าอันนี้เป็นใครลงมาทําไมสวยงามแสงสว่างขนาดนี้พระสา ร, รีบุตรว่าอันนี้คือเท ว, วดาแม่ยมแม่พอดึกเที่ยงคืนมาสีเขียวลงมากราบ เสร็จสวยงดงามมากมายแสงสว่างบริวารก็มาก อ, อันนี้เป็นใครลูก น, นี้พระอินทร์พระอินทร์ลงมากราบโอ้โหลูกเหนือพระอินทร์เหนือกว่าพระอินทร์พระอินทร์ลงมากราบขนาดนั้นเที่ยวเดือดูกใช่อาตมาเหนือกว่าพระอินทร์เพราะท่านเป็นพระทหารแล้วเนี่ยใช่อพอตรึกสังัดพรมลงมากราบเนี่ลงมากาบโอ้โหพรมก็ยิ่งเหนือกว่าพระอินทร์อีกความละเอียดอ่อนความสวยงามเออสีนวลสวยงามมาก แม่ก็เลยถามว่าอันนี้เป็นใครลูกจาริบุตรลูกอันนี้คือพรมโอ้คือพราหมณ์เขาทั้งหลายลเขาถือว่าพรมเลยเป็นยอดเยี่ยมเป็นต้นตระกูลของพราหมณ์เจารย์นะพราหมณ์คือคือพรมเลยเป็นต้นตระกูลแต่ได้พรมมากราบลูกชายเนี่ยแม่โอโฮลูกเหนือกว่าพรมอย่างนั้นใช่ไหมเขาจึงมากราบใช่อาตมาภาพเนเหนือกว่าพรมกาบมาโลกลูกประโลกอลูกประโลกเหนือกว่าทุกเ อ, อคนเลย ความบริสุทธิ์อันนี้ความเป็นพระหรหันต์นี้แม่เลยโอ้โทิฏฐิมานะที่ไม่นับถือเลื่อมใสศรัทธาเนี่ย ห, <ม>หมดเลยจนนะไหนภาษาเรียบวก็เลเทศให้ฟังแม่นะให้มั่นอยู่ในศีลในธรรมนะให้ทําใจอย่างนี้นะเอออย่าไปยึดมัน่นถือมั่นอะไรมากมายร่างกายสังขารเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนนะแม่นะเออให้ประกอบคุณงามความดีทําใจอย่างนี้นะทําจิตใจให้เป็นอย่างนี้นะ แม่ของท่านได้สำเร็จพระโสดาบันฮะโปรดครั้งสุดท้ายเนี่ยได้โสดาบันพอโสดาบันพระสารีบุตรเออหมดภาระของข้าแล้วส่งแม่ขึ้นในเกาะบันไดได้แล้วต่อไปก็คงจะเป็นพระสกทาคามีอนณาคามีพระหันในที่สุดเพราะว่าพระโสดาบันเนี่เกิดอย่างมากเจ็ดชาติเออแล้วก็ชาติที่สองลงมากับสามชาติถ้าเป็นพระโสดาบันเกรดเอหนึ่งชาติ แม่ของเราได้เป็นพระโสดาบันแล้วหมดภาระเราแล้ว อ, อพร้อมที่จะส่งเข้าประตูนิพพานได้แล้วเราพร้อมจกที่จะป ร, ะรินิพพานนะนี่แหละจากนั้นพระสารีบุตรท่านก็ป ร, รินิพพานในห้องประสูตยของโยมแม่ของท่านพอท่านป ร, รินิพพานแล้วก็พระสงฆ์ทั้งหลายก็ได้จัดเจริญล อ, อถวายประชุมเพลิงท่านกษัตริย์ทั้งหลายพร้อมกับบริษัททั้งหลายนี่แหละ อันนี้ก็คือความเป็นมาของภาษาเลขบุตรเป็นผู้มีอุปกราระคุณและก็พร้อมกันในพุทธศาสนาเนี่ยคนอายุมากขนาดไหนหบวชได้อย่างที่หลวงพ่อได้บอกกล่าวให้ทราบอายุ8ปดสิปีลาธพามเป็นตัวอย่างาแต่มากกว่านั้นหลวงพ่อก็ไม่มีในพระไตรปิฎกนะอ า, อาจจะมีหรือไม่มีแต่ถึงยังไงก็ตามเมื่อบวชเข้ามาแล้วก็ให้ตั้งอกตั้งใจผู้ใดบวชเข้ามาแล้ว ให้ประกอบคุณงามความดีถึงจะอายุยืนแต่ทําแต่ความชั่วนะแปลว่าคนนั้นเต็มไปด้วยความชั่วทั้งหมดอายุเป็นร้อยปีทําแต่ความชั่วความชั่วอะไรก็มากมายแต่ถ้าว่าผู้ใดอายุยืนประกอบแต่คุณงามความดีคุณงามความดีก็มากมายอีกเหมือนกันเหมือนกับคนขยันหาทรัพย์อย่างนั้นคนเกิดมาขยันหาทรัพย์แต่เล็กต่อน้อยใหญ่ขึ้นมาก็โห เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีเงินคําทรัพย์สมบัติมากมายพอหาเงินถูกช่องถูกทางมีบุญเก่าอีกด้วยแล้วก็ขยันอีกแต่ว่าคนขี้เกียจเกิดมาแล้วกินแลนอนกินแลนอนขี้เกียจอ อ, อายุร้อยปีก็ยิ่งจนจนถึงร้อยปีจนถึงวันตายวันตายก็จะมีผ้าจะนุ่งเอาเท่นี่เพราะเหตุไรเพราะว่าคนขี้เกียจคนไม่มีบุญนะนี่แหละคนบุญอคน ทำดีกับคนทำไม่ดีเนี่ยต่างกันอย่างนั้นเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆทกานนะขนา้าราชการทายาิโยมทุกคนนะให้ประกอบแต่คุณงามความดีให้สร้างแต่บุญกุศลบุญกุศลจะนำพวกเราไปสู่ความสุขความเจริญนะตอนนี้ไปพระสงฆ์จะาหนมโมทธนาให้พร